สิการภาวนาเหมือนการกินข้าวกินไปเรื่อยๆมันอิ่มเองวงเล็บเปิดสองกุมภาพันธ์สองพาร้อยวงเล็บปิดพระพุทธเจ้าสอนให้รู้กายพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ใจพระพุทธเจ้าไม่สอนกำหนดนะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้เครื่องหมายคำพูดเปิดทุกขังอริยสัจจังปรินเยยยังจุดจุดทุกเป็นสิ่งควรรู้รอบปิดเครื่องหมายคำพูดรู้รอบ คือรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติคือรู้ถึงตัวสภาวะของมันรู้ด้วยปัญญาก็จะเห็นลักษณะของมันรู้ด้วยสติก็คือเห็นสภาวะเช่นความโกรธเกิดขึ้นเห็นความโกรธโผล่ขึ้นมารู้ด้วยปัญญาก็คือเห็นความโกรธนั้นไม่เที่ยงความโกรธเป็นทุกข์ความโกรธไม means, them, helpful, ่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้รู้ด้วยปัญญาก็คือเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละถ้ารู้ด้วยสติก็เห็นรูปนามรู้ด้วยปัญญาเห็นไตรลักษณ์ วิปัสสนาต้องเห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นต้องรู้ด้วยสติและปัญญารู้ด้วยสติอย่างเดียวไม่ได้บางคนไปเดินจงกรมเอาจิตไปจาะไวท้ที่เท้าเท้าเคลื่อนไหวอย่างไรรู้หมดเลยอันนั้นไม่มีปัญญาถ้ารู้ด้วยปัญญาจะเห็นเลยตัวที่เดินอยู่ไม่ใช่เราตัวที่โกรธความโกรธนั้นไม่ใช่ตัวเราสภาวธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราไม่ว่าสภาวธรรมใดๆไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเรา นี่อย่างนี้ถึงจะเรียกมีปัญญาบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาถึงความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรถึงพระอารหันต์นั่นเองบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะปัญญาเกิดจากอะไรปัญญาเกิดจากการมีสติรู้สภาวะของรูปธรรมและนามธรรมที่ปรากฏแต่ปัญญาที่มีสติรู้อย่างเดียวไม่พอต้องมีเงื่อนไขที่สาคัญที่ทาให้เกิดปัญญาคือมีสัมมาสมาธิ ในพระอภิธรรมถึงสอนว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิไม่ใช่มิจฉาสมาธิสมาธิที่พวกเราฝึกอยู่เกือบทั้งหมดคือมิจฉาสมาธิสมาธิเพ่งสมาธิจ้องสมาธิบังคับสมาธิกำหนดสมาธิคริดเครียดแข็งแข็งสมาธิเคลิ้มเคลิ้มสมาธิลืมเนื้อลืมตัวสิ่งเหล่านี้เป็นมิจฉาสมาธิทั้งสิ้นหรือสมาธิเขเป็นนอนแช่ รู้ลมหายใจก็ไปนอนอยู่กับลมจิตไปแช่อยู่กับลมรู้ท้องพองยุบจิตไปแช่อยู่ที่ท้องรู้เท้ายกเท้าย่างเท้าจิตไปแช่อยู่ที่เท้าขยับมือจิตไหลไปอยู่ในมืออย่างนี้เป็นมิจฉาสมาธิถ้าสัมมาสมาธิใจจะตั้งมัน่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ใจตั้งมั่นเป็นแค่คนดูสติระลึกไปแต่ใจเป็นคนรู้เฉยๆใจไม่เข้าไปปรุงแต่งต่อใจเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อย่างนั้นเอง พอใจมันไม่ปรุงแต่งต่อมันจะเห็นความจริงของสภาวธรรมทั้งปวงทั้งรูปธรรมนามธรรม ท, ที่เกิดขึ้นสภาวธรรมทั้งปวงไม่มีตัวเราในสภาวะเหล่านั้นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นซ้ําๆอย่างนี้นะเห็นไปวันหนึ่งก็จะแจ้งขึ้นมาบางคนบอกว่าทําไมหลวงพ่อเทศเหมือนกันทุกวันเลยฟังซีดีก็เหมือนกันทุกวันแต่รับรองว่าความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนกันหรอกฟังไปเถอะ มีอยู่วันหนึ่งนั่งอยู่ที่นี่แหละตอบปัญหาของบุญทวีบุญทวีมาถามเรื่องการปฏิบัติตอบคุณบุญทวีว่าคนเราไปสร้างตัวตนขึ้นมาจากความไม่มีตัวตนในความเป็นจริงตัวตนไม่มีพอพูดประโยคนี้มีคนปิ๊งขึ้นมาเลยตัวตนไม่มีเห็นโลกธาตุว่างจากตัวตนเลยนะเห็นธรรมะที่ไม่มีตัวมีตนไปเทศที่ศาลาลุงฉินรอบที่ผ่านมาคนตั้งพันกว่าเทศกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราก็ฟังกันทุกวันนะแต่มันยังไม่พอ วันนั้นก็มีคนพอมีคนปิ้งขึ้นมาโอ้ไม่มีเราจริงๆนะโลกธาตุนี้ว่างไปหมดเลยฉะนั้นวันหนึ่งเราก็จะปิ้งขึ้นมาได้นะไม่แปก็กถ้าไปเพ่งเอาเพ่งเอาก็แป็กนะไม่ปิ้งหรอกการภาวนาเหมือนการกินข้าวนะกินไปเรื่อยๆมันอิ่มเองการภาวนาก็เหมือนกันมีหน้าที่จเจริญสติไปรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่เป็นกลางไปแล้วมันจะอิ่มเองวันที่มันอิ่มมันพอนี่แหละมันจะหมดความปรุงแต่งแล้วมันจะเห็นนิพพาน เข้าสู่ความพ้นทุกข์ในลำดับเบื้องต้นเรียกว่าพลันตกลงในกระแสน้ำแห่งสัมมาทิฐิแล้วผู้ที่ตกลงในกระแสน้ำแห่งสัมมาทิฐิแล้ววันหนึ่งจะถูกพัดพาไปสู่มาหาสมุทรคือนิพพาน